ตั้งแต่เวลาที่เรามีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นให้ตั้งสติขึ้นเอาไปเลยเราตื่นนอนขึ้นมาเมื่อไรรู้สึกตัวขึ้นเมื่อไรให้ตั้งสติขึ้นเอาไปเลยให้เป็นอัตโนมัติเวลาที่รู้สึกตัวแล้วก็ลุกขึ้นทันทีลุกขึ้นแล้วก็ให้ตั้งใจฟังฟังอะไร ก็ฟังธรรมมาสิเหมือนกับเวลาที่ช้างอาชาในาเวลาที่ควานช้างสั่งอะไรให้ทำการอันใดที่เคยทำหรือไม่เคยทำก็ตามช้างอาชาไนาก็ย่อมทำในใจอย่างทั่วถึงรวบรวมจิตทั้งหมดบางเงี้ยสดคอยสลับเหมือนกันเราเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะตั้งขึ้น รือสึกตัวขึ้นแล้วตั้งสติขึ้นเอาไว้เวลามีใครกล่าวธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วก็ให้ทำในใจอย่างทั่วถึงรวบรวมจิตทั้งหมดเมืองเงี้ยโสดคอยสดับฟังธรรมะอยู่ฟังดูให้ดีว่านี่มันเสียงอะไรถ้ายังฟังไม่รู้ว่าเสียงอะไรให้ฟังดูอีกทีหนึง่ง ได้ยินไหมชัดไหมเสียงนี่แหละเรียกว่าเป็นเสียงธนูเป็นเสียงธนูที่ปล่อยออกจากแหล่งแล้วไปกระทบกับไม้ปักลงไปเสียงธนูนี้ให้ฟังทำไมเพราะว่ามีสมัยหนึ่งนานมาแล้วที่ท่านพระอนุนได้เคยเกิดเป็นช่างทำลูกศร ลูกศรที่เอาไปขึงบนธนูแล้วปล่อยลงไปนี่แหละที่มันปักลงบนแผ่นไม้ได้ยินเสียงนี่แหละช่างลูกศรคนนี้เวลาที่เขาจะดัดลูกศรให้ตรงนี่เขาก็เอาไม้มาใช่ไหมที่ทําเป็นลักษณะรูปของลูกศรเรียบร้อยแล้วไห ต, ตรงไหนมันไม่ตรงก็เอาน้ําข้าวทาลนไฟแล้วก็ดัดเอาน้ําข้าวทาตรงนั้นลนไฟให้ดี แล้วก็ดัดให้มันตรงเวลาที่เอาน้ำข้าวทาหลนไฟแล้วตอนที่ดัดเนี่ยเขาหลับตาเดียวดูเลงเอาตาเดียวดูตอนนั้นท่านพระนนท์เกิดเป็นนายช่างสอนทำลูกสอนทำกิจกรายอย่างนี้ลหละเอาตาเดียวเลงดูว่าตรงไหนมันไม่ตรงแล้วก็ดัดให้มันตรงซะตอนนั้นโพธิสัตว์คือบระบุท้าของเราเป็นโพธิสัตว์ เกิดเป็นมหาชนกมาเห็นกิริยาท่าทางของนายช่างสอนที่เอาไฟลนลูกสอนแล้วก็ดัดเวลาดัดใช้ตาเดียวเล็ง mm. ก็เกิดความรู้สึกขึ้นว่านายช่างสอนนี้ต้องมีอะไรแน่นอนต้องมีความรู้หรือว่าต้องมีเทคนิคอะไรสักอย่างไดอย่างหนึ่งทำไมต้องใช้ตาเดียวเล็งจริงๆมากตาหน้าจะดีนะบางคนใส่แว่นมี4ตาดูแล้วมันดีขึ้น เออแต่ทำไมนี่ใช้ตาเดียวเลงโพธิสัตวคือมหาชนกตอนนั้นก็เลยไปถามนายช่างสอนว่าเอาทำไมต้องใช้ตาเดียวเลงนายช่างสอนตอบอย่างนี้ท่านฟังบอกว่าถ้าใช้สองตาดูนี่มันจะไม่สามารถเห็นจุดที่มันคดนั้นเลยไปไกลๆได้ท่านฟังลองคิดดูนะเวลาที่เรามองจมูกของเราเองเนี่ยมันเห็นจมูกมีสองอันมันได้เห็นจมูกมีอันเดียว เอาแค่ใกล้แค่นี้แต่ถ้าใช้สองตาเล็งดูเนี่ยไอตอนใกล้ๆประมาณแค่นิ้ว2นิ้วเราจะเห็นว่ามันตรงมันโคดได้อยู่แต่ถ้าเลยไปจากนั้นจะมองไม่เห็นละมองไม่ชัดเจนละนายช่างสอนบอกงี้ทุกฝั่งบอกว่าตาเดียวสิไม่ต้องทะเลาะกับใครคนเดียวไม่ทะเลาะกับใครถ้าสองตา2อย่างเดี๋ยวมีปัญหาตาหนึ่งว่างงี้ตาหนึ่งว่างงี้นายช่างสอนบอกอย่างี้บอกว่าเหมือนคนนี่แหละ แต่ถ้ามีสองคนเดี๋ยวมีปากเสียงกันนะคนเดียวดีกว่าคนเดียวจะไปเถียงกับใครนะมาชนนกตันได้ฟังข้อความนี้ก็อึ้กขึ้นมานิดหนึ่งโอ้จริงฮ่จริงแฮ่คนเดียวไม่ต้องตะเลาะกับใครสองคนเดี๋ยวมีปัญหากันเดินไปอีกหน่อยท่างฟังก็ไปเจอเด็กเด็กหญิงคนหนึ่งเขาก็กําลังเล่นฝัดข้าวอยู่นะเอาถาดเนี่ย มาฟัดอะไรสักอย่างอะไรอย่างหนึ่งเป็นการละเล่นของเขาที่ข้อมือข้างซ้ายของเด็กหญิงคนนี้ก็ใส่กำไลไว้สองอันข้อมือข้างขวาใส่กำไลไว้อันเดียวในขณะที่เด็กหญิงคนนี้กําลังฟัดถาดขึ้นฟัดลงฟัดขึ้นฟัดลงอย่างนี้กำไลที่อยู่ข้างซ้ายมันก็เคลื่อนขึ้นเคลื่อ น, น, นลงที่มีสองอันนี่แหละกำไลที่อยู่ข้างขวา ก็เคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงเหมือนกันโพอิสัอเห็นกิริยาของเด็กหญิงคนนี้ที่กำลังเล่นฝัดข้าวอยู่มีกําไลใส่อยู่ที่ข้อมือทั้งสองข้างข้างซ้ายใส่อยู่สองอันข้างขวาใส่อยู่อันเดียวเห็นแล้วก็ได้ยินเสียงกุ้งกิงกุ้งกิงกุ้งกิงกุงกิงกองไอ้เจ้ากําไลข้างซ้ายที่มันกระทบกันดูกําไลข้างขวาที่ข้อมือขวาเฮ้ยไม่มีเสียงแฮ อันทั้งที่มีกําไรเหมือนกันเอา้ามีอันเดียวถามเด็กหญิงว่าเอา้าทําไมถึงมีเสียงออกมาจากกําไรข้างซ้ายเด็กหิงตอบด้วยความไร้เดียงสาธํมามวังบอกว่าเอา้ามีสองอันมันก็ต้องกระทบกันนะสิเอา้าทำไมข้างขวามไม่มีมีอันเดียวจะไปกระทบกับใครโพริษัตย์อึ้กขึ้นมาเลยธํามวังมาชนกว่าโอ้ใช่อยู่คนเดียวไม่ต้องมีปากเสียงกับใครอยู่สองคนนี่สิมันถึงจะมีปากเสียงกัน ได้รู้ข้อมูลนี้เป็นคติเป็นเหมือนกับความรู้ขึ้นเลยว่าโอ้อยังนี้เราต้องบวชแล้วเราต้องบวชเราต้องอยู่คนเดียวเราต้องอยู่หลีกเล่นอยู่ผู้เดียวมันไม่ต้องมีปากเสียงกับใครอยู่สองคนสามคนเดี๋ยวคนนี้ว่ายอย่างหนึ่งเดี๋ยวคนนี้ว่ายอย่างหนึ่งเดี๋ยวมีปัญหากันตอนเดินฟังเคยไปฝึกขับรถนะ่ะรถที่เขาใช้ฝึกขับรถแต่สมัยนี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าคนที่ไปเรียนขับรถ นั่งอยู่เบาข้างหนึ่งที่เป็นตำแหน่งคนคับส่วนคนที่ฝึกสอนก็จะนั่งอยู่เบาะอีกข้างหนึ่งแต่เป็นเบาะด้านหน้ากันในตำแหน่งเบาะด้านหน้านี้รถที่เขาใช้สอนขับรถเนี่ก็ここจะมีเบรกอีกอันหนึ่งแต่มีเบรกอันที่2โผล่ขึ้นมาคนฝึกขับรถก่ฝึกไปใช่ไหมถ้ามันจังหวะที่มันจะไปชนไอะไรเนี่ยคนฝึกสอนก็จะช่วยเหยียบเบรกอันที่สองนี้ง่ายแต่มีเบรก2 อ, อันนะช่วยกันเหยียบ บางทีบางจะเหวียบไม่ถูกมันก็หน้าขมามด้านกันถ้ารถมีเบรกสองอันปลอดกันเหยียบเดี๋ยวจังหวะไม่ตรงกันมีปัญหาอีกหรือว่าในครอบครัวเนี่ยเอาแค่ว่ามีแค่สามีภรรยาสองคนนะคู่เดียวเนี่ยก็มีปากเสียงกันแล้วแต่ไม่ต้องพูดถึงหลายผัวหลายเมียมีสามีคนหนึ่งมีหลายเมียโอ้ครอบครัวนี้มีปัญหามันจะต้องมีปากเสียงกันไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่ง เราคิว่าอยู่กันสองคนไม่มีลูกแค่นี้ก็มีปากเสียงแล้วบังคับกลัวหรือว่าเวลาที่เราจะอยู่ในที่ทํางานทั้งงานไหนมีหัวหน้าหลายคนหัวหน้าคนนี้สั่งนี้หัวหน้าคนนั้นสั่งนั้นโอ้มันหลายเรื่องหลากแนวเนี่ยมันไม่ตรงกันมีปากเสียงกันในวัดนี่ก็เหมือนกันทั้งงานใดางานหนึ่งเกิดขึ้นแล้วสั่งการให้คนนี้คนนี้ช่วยกันดูแลแต่คนนี้ก็จะเอาอย่างหนึ่งคนนี้ก็จะเอาอย่างหนึ่ง เอาให้คนเดียวสั่งการไปเลยแต่คนนี้สั่งคนนี้ช่วยทำแต่คนคิดมีคนเดียวพอคนทำหลายหลายคนช่วยกันได้ช่วยกันร่วมมือกันแต่ว่าคนที่สั่งการคนที่เป็นหัวหน้ามีคนเดียว่อเหมือนกันทั้ฟังเวลาเราปฏิบัติธรรมอย่าไปงงสงสัยว่าเอ๊ะเอาลมหายใจดีหรือเอานับตัวเลขด้วยดีเออมันสองอย่างน่าจะดีมากอย่างน่าจะดีแล้วก็พิจรารณาสุภาษไปด้วยเออแล้วก็เห็นลมหายใจด้วยเดี๋ยวก็พุโทโธด้วย นับเลขด้วยเออหลายๆอย่างน่าจะดีมันจะตีกันนจำฟังเอาอย่างเดียวบ่เอาอย่างเดียวบ่อย่างเดียวเนี่ยไม่ต้องตีกับใครบางคนก็สงสัยว่าเอ้ยเอาสมถะดีหรือาวิปัสสนาดีเอามันอย่างเดียวนี่แหละเอาอย่างได้อย่างหนึ่งเอาอย่างไหนนําก็ว่ากันไปคือธรรมะเนี่ยมันมีหลากรูปหลายอย่างหลายประเด็นแต่ทุกอย่างมันจะต้องรวมประสมเข้ามาเป็นอันเดียวกันสามัคคีกัน แต่คนเป็นผู้นำณนะจังหวะใดจังหวะหนึ่งให้มีอันเดียวมีอย่างเดียวจะเอาอะไรอ่ะสมถะหรือวิปัสสนาก็เอาสักอย่างหนึ่งนำํำ ต, ตอนที่ถ้าจิตเราฟุ้งซ่านจิตเรามันคิดวุ่นวี่วุ่นวายอ้าวก็เอาสมถะนําเอาสมถะนําเอาอย่างเดียวตอนที่จิตเรามันสงบลงแล้วมันจะแบบเบื่อเบื่อนิดนึงขี้เกียจขี้ร้านอ้าคุณก็เอาวิปัสสนานําเอาวิปัสสนานําให้จิตมันตั้งขึ้นได้ นจิตตั้งขึ้นได้แล้วเอ๊ะมันก็สมดุลอยู่นะเอานิ่งๆเออเอ๊ะจะเอาสมาธารีวิวิปัสนาดิมันจะงงเอาอย่างเดียวแล้วก็เอาสมาธไป้นั่นแหละเอาความนิ่งไว้เอาความเย็นเอาไว้เอาความเป็นอารมณ์เดียวไว้อารมณ์เดียวแล้วเอาอย่างนี้นําเอ๊ะถ้ามันจะขี้เกียจเอาก็เอาการพิจารณาเอาวิปัสนานําสลับกันไปอย่างนี้แล้วแต่จังหวะไหนล่ะคุณจะเอาอะไรนํางานนี้เหมาะสมกับใคร ใครจะเป็นผู้นำใครจะเป็นผู้ตามใครจะเป็นทีมงานใครจะเป็นคนที่อร่วมมือกันเราเอาอันเดียวปะโฮริษัทเนี่ยได้เห็นช่างสอนดัดลูกศรนได้เห็นเด็กน้อยเล่นฝัดข้าวอยู่กำไรกระทบกันแต่รู้ทันทีเลยว่าตัเองต้องออกบวชรู้ทันทีเลยว่าตัเองต้องไปหลีกเล่นอยู่ผู้เดียวเวลาที่เราทำสมาธิกระตเแต่เราก็ไม่ได้ทำกับคนอื่น บางทีคุณอาจจะนั่งกับคุณเหนื่อยโอหมีคนเป็นร้อยคนนั่งปฏิบัติด้วยกันอยู่ในศาลาเอ๊ะเราก็ทําคนเดียวของเราอยู่ดีเวลาเกิดมาเอ๊ะใช่เราเป็นฝาแฝดก็จริงแต่เกิดมาก็เกิดทีละคนอยู่ดีออกมาทีละคนเวลาตายก็เหมือนกันบางคนอาจจะคิดว่าเออเกิดอุบัติเหตุต า, ตายพร้อมกันหรือว่าบางคนกินยาตายพร้อมกันนะให้ตายไปด้วยกันแต่เวลาจะตายจริงๆเนี่ยจิตมันก็หนับไปทีละดวงเท่านั้นแหละเกิดมาคนเดียว มีชีวิตอยู่แล้วก็ตายไปคนเดียวไอตอนที่มีชีวิตอยู่นี่แหละให้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าไม่ได้ไปสังคมกับคนอื่นหรือว่าทําความสามัคคีเป็นทีมงานร่วมกันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นให้ทําได้แต่อยู่คนเดียวในที่นี้หมายถึงให้มีการฝึกอยู่หลีกเล่นบ้างอยู่ผู้เดียวบ้างหลีกออกบ้างาต้องนําชีวิตของตัวเองบ้างต้องมีทําความสงบบ้าง เวลาทําความสงบเทคนิคในการทําแต่ธรรมะมันมีหลากรูปหลายอย่างหลายประเด็นพระเจ้าให้เลือกใจไว้หมดแะเราเอาอันเดียวพอในทีละอย่างถ้าใครยังทําเรื่องของศีลยังได้ไม่ดีเอาทําเรื่องของศีลให้ดีเอาอย่างเดียวพอมันจะมาพูดถึงเรื่องของสมาธิฉันไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยก็ศีลมันยังไม่บริสุทธิ์อะความร้อนใจมันก็มีพอมีความร้อนใจมันจะไปทําสมาธิได้ไง จะเอาอย่างนั้นเดียเอาอย่างนี้แต่เทคนิคเดี๋ยวไปวัดนั่นเดี๋ยวหากูบาจา์องค์นี้มันไม่ได้เรื่องหอานผู้ฟังเพราะว่าถ้าสีเรายังไม่ดีเอาเราทําสีของเรยเอาอย่างเดียวอย่าไปสับสนเอาเราทําสีของเราได้ดีแล้วเป็นปกติแล้วชีวิตของฉันเป็นไปอย่างนี้ดีแล้วความร้อนใจดับลงไปมีความปีติมีปราโมชเย็นจิตเย็นใจได้บ้างเอาตรงนั้นเอาอันเดียวพอเวลาที่เรามีความเย็นใจได้แล้ว ทำความสงบพอได้ไม่มีความร้อนใจเพราะว่าเรื่องของศีลที่มันไม่ดีาศีลเราดีแล้วมีความเย็นใจความสบายใจคุณจะมาฝึกจิตฝึกได้ฝึกจิตให้มีอารมณ์เดียวฝึกจิตให้ตั้งมั่นเอาไวา้คนมีความสุขอยู่ในภายในอันเป็นผลของการที่อกุศลธรรมมันลดลงไปเป็นผลของการที่กุศลธรรมมันเกิดมากขึ้นจิตมันพร้อมก็เรียกว่ามีอินทรีย์ที่แก่กล้ามากขึ้นทําความเข้มแข็งในใจให้ได้มากขึ้น พอใจมีความเข้มแข็งเริ่มมีกําลังเหมือนเด็กนี่แหละที่เขาพอจะเริ่มเดินได้เขาจะเดินขึ้นได้เขาจะทําความแข็งแรงขึ้นได้เขาก็ทําคนเดียวก็ต้องทําตัวของเขาเองเดี๋ยวจะมาวิ่งเลยมันไม่ได้มันก็จะต้องฝึกเดินก่อนฝึกลุกก่อนซึ่งเขาก็จะต้องทำคนเดียวถ้าแม่ไปคอยช่วยอยู่เรื่อยเมื่อไหร่มันจะมีพัฒนาการสิแล้วนะเราเอาทีละอย่าง ท, ทําดีละอันอันไหนเรายังไม่ดีเราพัฒนาตรงนั้นทําตรงนั้น ค่อยเป็นค่อยไปจิตเราจะเป็นอย่างนี้ในอะไรที่มันละเอียดขึ้นเราค่อยพัฒนาไปแล้วเอาวันไหนล่ะที่มันจะเอาอันเดียวเนี่ยเอาอันที่มันจะต้องค่อยละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนไปนั่นแหละอย่างที่ว่าเริ่มจากเรื่องของศีลใครยังทําศีลไม่ได้ทําศีลให้ดีให้ไม่ขาดไม่ทะลุมไม่ด่างไม่ปลอยให้เป็นปกติในชีวิตของเราทําได้แล้วเอา้าเรามาฝึกจิตกันเอาจะฝึกยังไงท่าจิตเอาก็ทําให้มีความสงบเกิดขึ้นให้ละนิวรณ์ซะก่อน แต่มีความฟุง้งซ่านอยู่ในใจบ้างอาจจะมีความเสพผิดดิ้นรนตรงนั้นตรงนี้เอเราเอาจิตที่เป็นอารมณ์เดียวเอาเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งกูจะเอาลมหายใจก็ว่าไปกูจะนึกถึงพรนะพุทธเจ้าคิดพุทโธพุทโธอย่างนี้ก็ได้ก็เอาว่าไปอีอย่างเดียวคุณะเอาเครื่องมืออะไรก็ขอสักอย่างหนึ่งสมัยนี้เขาก็สอนกันหลายอย่างทั้งพุทโธก็มีทั้งน้ํารูปก็มีสัมมาอาระหัง อาณบา น, าบานาัสติก็ตามการเคลื่อนไหวร่างกายมีทุกรูปแบบเอาสักอย่างเดียวเอาสักอย่างเดียวในที่นี้ให้เราเอาลมหายใจเวลาหายใจเข้าหายใจออกก็ทำทีละครั้งเท่านั้นไม่สามารถหายใจเข้าและหายใจออกพร้อมกันได้เข้าแล้วก็ต้องออกก็ต้องสลับกันไปเอาอย่างเดียวแต่เวลามีความคิดใดๆเกิดขึ้นก็ไม่เอาความคิดนั้นเอาแค่ลมหายใจอย่างเดียวอาจจะมีความคิดในเรื่องของทางการพยาบาทเปลียนเบียงเกิดขึ้น เอชันจะทําได้ไหมเอ็นี้ทําถูกหรือเปล่าเอาเป็นความเคลือบแคลงความระแบงไปอีกเอาลมหายใจอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เอาเอาได้ยินเสียงนี้เอาได้ไหมไม่เอาเอาลมหายใจอย่างเดียวมีความคิดนี้เกิดขึ้นคิดได้ไหมไม่เอาเอาลมหายใจอย่างเดียวทําจิตให้ตั้งมั่นเอาไว้พยายามที่จะล่านี้บ่อได้เดี๋ยวมันก็คิดเรื่องนี้อีกแล้วทํายังไงดีโอชันจะทําได้ไหมความคิดนั้นก็ไม่เอาเอาลมหายใจอย่างเดียว ตั้งสอนดัดเนี่ยคิดว่าสองตาดูมันจะดีเอาสามสี่คนมาช่วยกันดูอ่ะมันจะดีที่ไหนคนนี้ก็ว่าอย่างงั้นไอ้ยังไม่ตรงนี้ไม่ตรงอีกคนนี้ก็ว่าเอ้ยตรงนี้ตรงแล้วเดี๋ยวมีเวลาเอาแค่ว่าคนเดียวดูสองตาตาสองข้างมันยังเถียงกันนี่มันตรงหรือเปล่าวะเออตะกิดว่ามันตรงแล้วไอ้ทําไมตอนนี้มนไม่ตรงอ้าวเอาตาเดียวดูเอาอย่างเดียวรลวมหายใจนี่แหละอย่างอื่นไม่ต้องไปคิดมันตอนนี้เอาลมหายใจก่อนให้จิตตั้งมั่นเป็นรลมันเดียว เรารู้ลมหายใจของเราอย่างเดียวจิตของเรามันมีกี่ดวงละ่ะจิตของเรามีดวงเดียวนั่นละ่ะแต่ว่ามันมีสบาว่าหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวปรุงแต่งไปเป็นสิ่งนี้เดี๋ยวปรุงแต่งไปเป็นสิ่งอื่นไอ้ความที่มันมีปรุงแต่งไปเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นเนี่ยะมันจึงมึนเหมืนว่าเอ้ยแล้วอันนี้มันอะไรแล้วอันนั้นมันอะไรฮฉันก็ได้ยินเสียงฉันก็เห็นรูปด้วยความรู้สึกทางกายฉันก็มีเอาแล้วนี่มาตัวฉันจริงหรือเปล่า เอาอย่าเพิ่งสงสัยเอาอย่างเดียวก่อนรวบรวมจิตให้เป็นอารมณ์อันเดียวเรารวบรวมจิตให้เป็นอารมณ์อันเดียวโดยการใช้เครื่องมือคือโลมหายใจขังเรามีความคิด ใ, ใดๆที่เป็นไปนในทางการพยาบาติบิดเบียนมีความคิด ใ, ใดใที่มันจะมากวนมาเป็นเครื่องเศร้าหมองให้เอาความคิด น, นั้นออกซะทําจิตให้เป็นอารมณ์อันเดียวก็ต้องมีที่ตั้งอันเดียวมีที่ตั้งไหลายอย่างมันไปไม่ได้ละ่ะเหยียบเรือสองแคมมันไปไม่ได้ เอาอย่างเดียวเวลาเรารึกรู้ถึงลมหายใจของเราทีละครั้งเท่านั้นเองทีละขณะจิตเท่านั้นเองคนจะก้าวไปก็ก้าวทีละขาเท่านั้นเองจะวิ่งขนาดมาราธอนสีกว่ากิโลเนี่วิ่งได้ก็วิ่งทีละก้าวไปทีละก้าวเท่านั้นเองทําทีละครั้งนับทีละหนึ่งรู้ทีละลมหายใจอย่างอื่นไม่เอานต่จะพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายบางทีเครื่องมือเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป แต่ว่าเอาทีละอย่างตอนนี้ทําจิตให้สงบกันถ้าจิตเราสงบดีแล้วทั้งมั่นเป็นอารมณ์ดีแล้วไม่มีอกุติธรรมเกิดขึ้นไอ้เจ้าความคิดที่เป็นอกุติธรรมสังเกตไปแล้วระ ง, งับไปแล้วเอาเราจะเอาอะไรต์นี้จิตเราสงบแล้วอา้าก็ทําให้มันยิ่งขึ้นเอความที่มันจะปล่อยวางได้ปล่อยวางอะไรได้ปล่อยวางความยึดถือในสิ่งต่างๆนี่แหละได้เอาจะปล่อยวางได้ต้องทำยังไง มันจะต้องคลายกําหนัดซะก่อนจะคลายกําหนัดได้ต้องทํายังไงก็ต้องหนายซะก่อนมีความหนายมันถึงจะปล่อยวางได้คลายกําหนัดได้เอาจะหนายต้องทํำยังไงก็ต้องเห็นตามที่เป็นจริงซะก่อนเอาเห็นตามที่เป็นจริงต้องทํายังไงถึงเห็นตามที่เป็นจริงได้เอาจิตคุณสงบหรือยังจิตคุณเป็นอารมวันเดียวหรือยังถ้าจิตสงบเป็นอารมวันเดียวแล้วเรามาพิจารณาให้เห็นตามที่เป็นจริงได้เอาจะพิจารณาไงให้เห็นตามที่เป็นจริงเนี่ยตรงนี้แหละถึงนี่ว่า ทำิปัสนาเอาอย่างเดียวเวลาเราทำวิปัสนาที่ว่าเอาอย่างเดียวเนี่ยก็คือว่าเราพิจารณากายของเรานี่ก็ได้แต่พิจารณากายแยากแยะออกเป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมมาประกอบกันมืประกอบกันแล้วอะไรที่มันบองๆก็เป็นธาตุช่อง่างแยกแยะออกให้เห็นส่วนไหนเป็นของขแข็งแข็งอันนี้ก็เป็นดินพวกอวัยวะต่างๆส่วนไหนที่เป็นของเหลวเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้อันนี้ก็เป็นน้ํา ส่วนไหนที่เป็นความร้อนความอบอุ่นเส็นหายใจออกมาเอามืออังดูเออมันอุ่นดีอันนี้นก็เป็นธาตุไฟส่วนลมหายใจที่เข้าที่ออกนั่นก็เป็นธาตุลมเอาทีละอย่างแล้วพิจารณาเนี่ยเราใกลครวนไปเนี่ยก็ใคลครวนได้ตีละอย่างจากอันนี้ไปอันนั้นที่ตีหยาดตัวนั้นเองลมหายใจจะรู้อยู่ได้ไหม mm hmm. ก็รู้อยู่ <c oughs> ก็รู้ไปไม่มีปัญหาไม่รู้ก็ไม่เป็นไร <c oughs> เพราะเรามีสติอยู่ในการพริจารณามีสติแบบเนี้ย เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะว่าใช้ธรรมะเป็นฐานที่ตั้งของสติในขณะที่เรารู้ลมหายใจลมหายใจเป็นไรเป็นธาตุลมนะอ่าธาตุลมก็เป็นรูปสิก็เป็นกายถูกไหมก็เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานใช้กายเป็นฐานที่ตั้งของจิตเอ้านี่ก็กายนี่นะเอ้านั่นก็ธรรมะนี่น่ะเอ้าทำไมหลายอย่างอ่ะแล้วความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่ลมหายใจนี่มันก็เวทนานี่น่ะก็เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานสิอ่าแล้วยังมี จิตที่ตั้งอยู่กับลหมหายใจเออจิตเป็นฐานที่ตั้งของสติก็ได้อันนี้ก็เป็นจิตฐานทุพสนาสิปทานน่นสิมันหลายอย่า ง, งหลาายยอย่งมันเลยจะงงแล้วเอาอะไรกันดีเอากายดีเอาหรือว่าเอาเวทนาดีหรือาจิตดีหรือเอาธรรมะดีเอาอย่างเดียวท่านฟังเอาสติสติอย่างเดียวที่เราต้องการเอาสติจะมาได้ไงสติมันก็มีที่ตั้งหลายอันเอาลหมหายใจอย่างเดียวเอาอย่างเดียวแต่คุณพิจรารณา เห็นแยกแยะเป็นาธาตุขันในกายต่างๆเหล่านี้เราก็เป็นลมหายใจมันเป็นกายเหมือนกันเวลาเราทำเราทําทีละอย่างอย่าไปสับสนอย่าไปงงเวลาช่างสอนเขาดัดลูกศรเนี่ยเขาก็จะต้องมีตั้งลูกศรมีน้ําข้าวมีไฟเขาเขาก็มีหลายอย่างแต่ตาที่ใช้เล็งเนี่ยเขาใช้ตาเดียวเล็งเวลาเราทําธรรมะมันเกิดขึ้นหลายๆอย่างมีปีติบ้างมีความสงบบ้าง สมรถวิปัสินา ก, ก็อยู่ที่นี่กายเวทนาจิตธรรมก็อยู่ที่นี่แต่เวลาเราทําเอาอย่างเดียวมันจะเกิดขึ้นหลายอย่างก็เป็นไปตามนั้นเหมือนจะมีองค์ประกอบหลายอย่างมันก็เป็นไปตามนั้ น, น, op, ยย น, น, ต น, นแต่เวลาเราทําเราหยิบจับอะไรขึ้นมาเอาอย่างเดียวให้จอจออยู่ที่สิ่งสิ่งเดียวถ้าคุณจะทําสิ่งนั้นได้หยิบไม้ขึ้นมาด้านเดียวอีกด้านหนึ่งมันก็ติดมาด้วยหยิบเลี้ยงขึ้นมาอันหนึ่งดูหน้านหนึ่งอีกหน้าหนึ่งมันก็ติดขึ้นมาด้วย คุณจะหยิบลมหายใจขึ้นมาอันเดียวเนี่ยกายก็อยู่ที่นี่เวทนาก็อยู่ที่นี่จิตก็อยู่ที่นี่การพิจารณาก็อยู่ที่นี่มันก็ติดขึ้นมาหมดแต่เวลาที่เราหยิบจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันอย่างเดียวเราพิจารณาเห็นดูดีๆตามฝัง่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากเด็กน้อยเขายังเล่นฝัดข้าวได้เลยเขายังมีธรรมะในกําไรที่ก้อมือที่เขาใส่่ใส่สองอันมันกุ้งกิงกุ้งกิงเฮ้ยมันกระทบกันนะมีมากเรื่องหลายอย่างมีวัญา แต่ถ้าใส่กำไรอันเดียวไม่งงไม่สงสัยให้มีความสบายใจให้มั่นใจในธรรมะของบริชาว่าเวลาที่เราทำอย่างใดอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็มาด้วยอย่าให้ไปมีความเปลือยแปลงความเห็นแย้งวะเอ๊ะแล้วมันอะไรกันแน่เพราะทุกอย่างมันรวมกันเป็นอันเดียวนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราจะเมากเรื่องหลายอย่างเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวตรงนี้มันจับจดเอาอย่างเดียว เพราะว่าทุกอย่างมันรวมอยู่ที่ใจนี้นั่นเองใจของเรานี่แหละที่บังคับปากที่บังคับกายใจของเราเนี่แหละที่เดี๋ยวไปคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวไปคิดเรื่องอื่นใจของเรานี่แหละที่เดี๋ยวมารู้ความรู้สึกเดี๋ยวไปมีสัญญาปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดไปในอดีตอ น, นาคตทุกอย่างมันมารวมลงที่ใจคุณจะใช้สมถะคุณจะใช้วิปัสสนา на, คุณจะใช้วิธีไหนคุณจะใช้ดูลมหายใจหรือคุณจะนึกพุโทโธ หรืคุณจะทํารูปแบบไหนก็ตามจะเดินอยู่จะนั่งอยู่จะยืนอยู่มันอยู่ที่ใจใครสั่งใครทําใจนี่แหละทําให้มันรู้ดูให้เห็นถึงใจเราจะเข้าถึงใจตรงนี้ได้มีทางเดียวทางไหน เ, เรียกมากมีองแปดอา้าวปดอย่างหรืออย่างเดียวอย่างเดียวเพราะมันมีทางเดียวที่มีองค์ประกอบ8ดอย่างรวมก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เข้าถึงใจใจมีกี่ดวงมีดวงเดียวช่องทางเข้ามันมีตั้งหลายทาง หทางะตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นช่องทางให้เข้าสู่จิตมันจะงงตรงนี้แหละตรงที่มาจะวางกับดักเอาไว้เดี๋ยวเข้าประตูนี้ออกประตูนั้นเอ๊ะมันทางไหนกันแน่ให้พุ่งตรงเด่งปไปเลยตุกฝั่งไปที่จิตของเราจิตของเราอยู่ที่ไหนเอาสติตั้งขึ้นไปตรงนั้นสติตั้งเอาไว้เอาจิตตั้งอยู่บนนี้มีอย่างเดียวอย่างอื่นจะค่อยถอยรวมกันมาอยู่ที่นี่ลมาหายใจก็จิตนี่แหละดวงเดียวนี่แหละ ที่เขาไปรู้สติประรานทั้งสี่ก็ตั้งขึ้นอยู่ที่จิตดวงนี้แหละดวงเดียวนี่เองโอชงทั้งเจ็อรีมรคมีองค์แดจะเกิดขึ้นก็เกิดที่นี่เป็นฐานที่จะหนุนให้จิตนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นมัคคัศสมังคีเป็นสิ่งที่ทําแล้วสอดคล้องกันมีความจามัคคีกันรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวการที่เราไปทีละอันไปทีละอันไปทีละขั้นไปทีละตอนเนี่ยละ ไปทีละครั้งน้ำทีละหนึ่งมันเป็นเส้นทางก็เรียกว่าเป็นมักเป็นทางที่เดินไปสู่ความที่จิตมีอารมณ์เดียวเราเห็นจิตที่เป็นหนึ่งแล้วเอ๊ะอันนั้นมันอะไรเราดูให้ดีพิจารณาให้เห็นว่าความเป็นตัวตนในจิตนั้นมีหรือไม่เวลาเราจะวางเราก็วางที่จิตนี่แหละตัวเดียวเวลาเราจะเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเดียวเนี่ยก็ต้องวางอีกสิ่งหนึ่งก่อนอย่ยงเวลาที่คุณจะลมหายใจคุณก็วางการนับเลขซะก่อน หรือเวลาที่เราจะเอาการพิจ า, ารณาใกล้ครวนคุณก็วางความนิ่งนั้นก่อนวางความที่เราอยู่นิ่งๆเฉยๆหรือเวลาที่เราจะเอาความอยู่นิ่งๆเฉยๆคุณก็วางความที่จะต้องคิดนึกพิจารณานี่แหละคือมันจะได้สิ่งหนึ่งมันก็ต้องวางสิ่งหนึ่งจะไปสิ่งหนึ่งมันก็ต้องวางสิ่งหนึ่งการวางตรงนี้แหละเป็นความละเอียดที่เราจะค่อยวางลงวางลงได้เราจะวางจิตที่เป็นอารมณ์มันเดียวที่เราเห็นอยู่ แน่ๆ น, นิ่งอยู่เป็นอารมณ์เดียวนี้ได้เรามีสิ่งเดียวอยู่เราจะวางสิ่งนี้ได้ <c oughs> ก็ค่อยวางไปมันจะเป็นการฝึกวางไปในตัวเป็นการฝึกในการที่ทําจิตของเราให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเวลาเราวางไปนั้นก็เป็นวิปัสสนาเวลาที่เราเอาตีละอย่างนั่นก็เป็นสมถะแต่เป็นเส้นทางที่เราค่อยๆเดินไปทําไปจิตที่เป็นอา ร, ร ม, มณ์เดียวเราจะวางจิตที่เป็นอา ร, ร ม, มณ์เดียวอันนี้ได้แต่เราเห็นความไม่เที่ยงของเขามันเทีเ่ยงไหมล่ะ เดี๋ยวสิ่งหนึ่งก็เกิดเดี๋ยวสิ่งหนึ่งก็ดับวางสิ่งนี้อีกสิ่งหนึ่งก็เกิดขึ้นมันไม่เที่ยงอย่างนี้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขสภาวะที่เราอยู่จิตที่เราไปรับรู้พวกนี้เป็นสภาวะที่มีความทุกข์ทั้งสิ้นสิ่งใดมีความทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาสิ่งใดที่มีลักษณะอย่างนี้แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีความฟุ้งซ่านออกก็จะฟุ้งซ่านไป เหตปัจจัยเป็นไปเพื่อความสงบระงับเราก็มีความสงบระงับมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยแตสิ่งไหนที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเราไม่มีอํานาจเหนือไม่มีการที่จะไปสั่งการมันได้ให้มันเป็นไปตามนอกเหนือเหตุปัจจัยของมันทําไม่ได้เลยนืสิ่งใดที่เราไม่สามารถจะสั่งการให้เป็นไปนอกเหนือจากเหตุปัจจัยของมันได้อันนั้นไม่ใช่ของเรา เป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะต้องไปยึดถือว่านั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นตัวตนของเราสิ่งไหนที่ไม่ใช่ของเราเราทำยังไงเราก็วางมันซะเราไม่เอาสิ่งนั้นก็วางไปละไปละไปแล้วดับไปแล้ววางแล้วเหลืออะไรวางหมดแล้วก็ไม่เหลืออะไรไม่เหลืออะไรที่จะให้ไปยึดตืออีกเหลือแต่จิตที่ประพัดสอนอย่างเดียวมีความจำจรัส ไม่เอาอะไรการมฏิบัติธรรมท่าฟังเราไม่เอาอะไรจะว่าเอาอย่างเดียวนั่นแหละคือมีทางเดียวไปทางนี้ทางเดียวคุณจะไปทางเดียวได้คุณก็ต้องไปทีละก้าวไปทีละขั้นจะไปทีละก้าวไปทีละขั้นได้ก็ต้องไปทางเดียวนี่แหละการปฏิบัติธรรนี่แหละคือไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรคือเอาทางที่ไม่เอาอะไรนี่แหละเอาทางนี้ทางเดียวคุณจะเอาทางนี้ทางเดียวได้ก็ต้องวางสิ่งหนึ่ง ช่งสอนเวลาที่จะเล็งลูกศรนเ่มีสองตาแล้วก็หลับสักตาหนึ่งเอาทำไมไม่หลับสองตาหลับสองตาก็มองไม่เห็นนะสิทำงานไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาวางหมดเลยปล่อยวางหมดทุกอย่างไม่เอาอะไรมันวางไม่ได้หรอกท่านผู้ฟังเพราะว่าจิตเรายังมีความยึดถืออยู่มันยังมีการงานที่ยังต้องทําอยู่การงานที่ต้องทํานั่นแหละคือฐานที่ตั้งของจิตการงานที่ต้องทํานั่นแหละคือมักรเราต้องทํางานซะก่อนต้องมาสบประการซะก่อน ถึงจะเป็นประอ า, ารันได้แต่คุณจะวางได้ไม่เอาอะไรได้ก็ต้องมีการงานให้จิตทำซะก่อนการทํางานคือการปล่อยวางวนั่นเองเราจะปล่อยวางได้หมดมันยังทําไม่ได้เพราะมันยังมีตันหาอยู่ในจิตยังมีกาวเหนียวยางยืดอยู่เราจะกําจัดกาวเหนียวยางยืดนี้ได้ก็ต้องมีเครื่องมือมีการงานให้จิตในการที่จะกําจัดยางเหนียวการงานนี้ก็คืออริยมรรคมีองแปดนั่นเองให้จิตตั้งอยู่ในการงานนี้แตววางสิ่งหนึ่ง เอาอย่างเดียววางอีกสิ่งหนึ่งเอาอย่างเดียวให้จิตมันทำการงานได้เหมือนช่างสอนที่สามารถที่จะหลัดลูกสอนได้นะพอดาดเสร็จแล้วก็ไม่ต้องหลับตาลวนะวางหมดจริงๆไม่อาออะไรถ้ายังปลายวางหมดจดไม่ได้เอาอย่างเดียวถ้ายังง ง, งถ้ายังสงสัยสงสัยเพราะมันมีหลายอย่างจะเอาอย่างนี้เดีจะเอาอย่างไหนนั่นแหละดี พะเป็นเครื่องทดสอบว่าเรายังไม่ได้เอาอย่างเดียวเรายังมีหลายอย่างอยู่แต่ถ้าไม่งงก็แสดงว่าดีเพราะเรารู้แล้วว่าเราเอาได้อย่างเดียวเอาอย่างเดียวเนี่ยตาฝังเอาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่เราจับได้ช่วยได้อย่างที่เราใช้เกาะได้พึ่งได้เอาอย่างนั้นอย่างเดียวอย่างที่เราทำได้อย่างที่เราปฏิบัติได้ปฏิบัติอันไหนได้เอาอย่างนั้น วางนั้นได้แล้ววางอย่างนั้นเอาอย่างอื่นที่มันละเอียดลึกซึ้งลงไปเอาทีละอย่างแต่เราทำทีละอย่างทำทีละครั้งแล้วเราจะไม่สงสัยเราจะเป็นไปตามทางทางที่เราวางสิ่งหนึ่งทางที่เราไปอีกสิ่งหนึ่งวางสิ่งหนึ่งไปสิ่งหนึ่งวางสิ่งหนึ่งไปสิ่งหนึ่งเช้นทางตัวนี้แหละก็เรียกว่าวิราคาธรรมในวิราคะคือความกลายกาหนัดกลายจากสิ่งนี้ ไปหาการงานอย่างอื่นที่มันละเอียดลงไปตอนไหนเราทำได้ตอนไหนเรารู้อยู่ได้บางทีมันจะต้องหยาบขึ้นบางทีมันละเอียดลงในช่วงระหว่างวันคุณทำงานทำการไปแต่มันก็อาจจะหยาบขึ้นแต่มีสติอยู่การงานอย่างหยบยาบตอนที่เรานั่งสมาธิเป็นรูปแบบจิตมันละเอียดลงเราก็ทำให้มันละเอียดลงแต่เอาที่ละอย่างตัวนองอย่าไปสับสนอย่าไปงงเพราะว่าถ้าอย่างเดียวแล้วมันไม่มีปากเสียงกับใคร เหมือนตาที่ดูอยู่กับลูกศรและมีตาเดียวดูอย่างเดียวเล็งได้ทั้งระยะใกล้ทั้งระยะไกลตรงไหนไม่ตรงตรงไหนคตก็ดัดให้มันตรงให้มันไม่คตเหมือนกับกาไลของเด็กน้อยที่เขาขยับขึ้น ข, นขยับลงข้อมือที่มีกาไลข้างเดียวแต่ไม่มีเสียงดังไม่กระทบกับไกรใจรของเราก็เหมือนกันและมีดวงเดียวจะไปกระทบกไกร ไอ้สิ่งที่มากระทบนั่นไม่ใช่ใจไม่ใช่ของเราสิ่งที่มาทางตาทางหูไม่ใช่ของเราไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปรู้ไปแค่ไปดูไปสนใจมันเป็นตามธรรมชาติของมันเหมือนมาแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปมีใจของเราอยู่อย่างเดียวเท่านั้นมีทางนี้ทางเดียวเท่าฟังทางเดียวเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเอกเป็นทางเดียวเป็นทางด่วนเป็นทางลัดที่ทําให้เราถึงความหมดทุกได้ ความแก่ความมีโรคความเจ็บปัญหาเล็กๆน้อยๆตรงนั้นตรงนี้มันหมดจดสมบูรณ์ดับสิ้นไปได้ข้าพเจ้าพระมหาภัยบูรอ์พี่ปุณโนจากวัดป่าดอนไฮโศกจิลบ่อน